ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุ่นร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนานำเสนอช่วงต้ร่มพธิบทที่เราจะนำหัวข้อมแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงอธิบายทำความเข้าใจก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น ก็ให้ทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งก่อนตบบัฟังวันนี้เราจะเจริญพรหมวิหารทั้งสี่พรหมวิหารหมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีที่ให้คหนอื่อนนั้นได้ ประสบความสุขความสาเร็จรรพระบุคคลเปรียบเทียบเหมือนกับมารดาที่คลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาอยู่กับลูกคนนั้นดังนั้นในที่นี้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีปยาบาตเป็นจิตกว้างกวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวง ยังไม่มีประมาณให้แผ่เมตตาให้ตัวเองคือขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการปู่เวนปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเติดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตา ขอให้มารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องและคนทั้งหลายขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดขอให้อรกายเทวดา ภุ ม, มิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาเพราะงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเติบด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกัเมตตา ด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับกรุณาด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกมุทิตาและด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกบุเบขามันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขว้างประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณ ในแปรเปลี่ยนสปปรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันออกทีตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทีตะวันตกเฉียงใต้ที่ตวันตกทีตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทีตะวันออกเฉียงเหนือทิดเบื้องบนและทิศเบื้องล่าง ขอให้สัพพสัตผู้มีชีวิตทั้งหลายสัตว์บุคคลผู้มีตัวตนทั้งหมดทั้งหญิงและชายระริยเจ้าทั้งหลายและอนาริยชนผู้ยังไม่หลุดพ้นเหล่ามนุษย์และอะมนุษย์เทวดาและเปรตทั้งหมดทั้งสิ้น ขาจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดรากษาความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดมารดาต้นน้อมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิต ของตนแต่ชันใดเถิดพึง เ, เจริญเมตตาจิตกันกว้างขวางอันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉั น, นั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตวทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญก็ อ, อย่าได้ประสบ ความชั่วร้ายใดๆเลยก็จะได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลยก็จะได้มีความทุกข์ใดๆเลยก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญ เอาละตัมฟังหลังจากที่เราได้ทาจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทําความเข้าใจในหัวข้อหมดลธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านใดบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงจัดการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนตา่างยกตัวอย่างการใช้งาน รวมถึงที่จะนำมาทาให้ดูด้วยว่าแต่และอย่างที่ว่าไปนั้นทำยังไงปฏิบัติยังไงในชีวิตประจำวันเพราะว่านั่นคือหน้าที่ของท่านในความที่เป็นภักขวาคือจริงๆแล้วทำงานด้านนี้มาตลอดจึงได้เรียกตำแหน่งว่าเป็นภักวาคือผู้จําแนกแจกธรรมโดยทำความเข้าใจใน ทั้งเหล่าสาวกพรรามข้าราบดีบุคคลธรรมดาราชามาห า, ากตริย์จนถึงเทพปรมเทวดาก็ให้ได้ความรู้นี้ไปโดยความรู้เหล่านี้ท่านฟังพอมีการบัญญัติแต่งตั้งแล้วเหล่าสาวกในสมัยนั้นก็พากันจำมาจามาจากรุ่นสู่รุ่นมีการจดบันทึก รวบรวมเรียบเรียงคำ้อนเหล่านั้นตกทอดจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็นำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ท่าูฟังฟังในตุนพุธจึงนำเรื่องของแม่บทธรรมะในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพดิบทซึ่งหัวข้อแม่บทธรรมะเหล่านี้ก็เป็นข้อเป็นข้ออยู่ในส่วนของอังคุตระนิกายบ้างอยู่ในส่วนของมัชิมานิกายบ้าง หรือสั่งยุตินิกายต่างๆเสร็จแล้วก็มาอธิบายตบูฟังซึ่งรูปแบบการอธิบายนั้นก็ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเพื่อให้ทุกอย่างนี้มันสามารถเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจาวันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราได้นะตบูฟังการแปลบางอย่างการทำความเข้าใจในบางประเด็นมบนจึงจะต้องบอ ว, ว่ามีการคิดนิดหนึง่ง เพราะถ้าลำพังเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจตามตัวหนังสือเลยเนี่ยวันที่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปไงทุกฝังคำคำนี้ในสมัยนั้นเป็นบริบทอย่างหนึง่งแต่ทุกวันนี้มันมาเป็นบริบทอีกอย่างหนึง่งจึงต้องมีการทำความเข้าใจทั้งบริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงในบริบทสองสมัยนี้เป็นอย่างไรที่คาสอนที่เป็นอาการลิโก คืออยู่เหนือการเวลานี่มันถึงจะเข้ากันกับการเวลาได้คำว่าอยู่เหนือการเวลานะทุกฝังที่เป็นอาการลิโกโนี่คือมันไม่ประกอบด้วยการหมายความว่าจะในสมัยนั่นหรือสมัยนี้มันก็ต้องทําได้เหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นเรื่องของโบราณแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วเอร่าเลเว่นเธอแล้วแต่ว่าธรรมะนี่มันยังเกี่ยวข้องในชีวิตประจํากาของเราอยู่ผ่านตาผ่านหูจมูกร่างกายใจเรายังมีนี่อยู่มันก็ยังมีนั่นอยู่นั่นแหละ เกี่ยวข้องกันแต่เราจะเข้าใจไหมตัวนี้ซึ่งในตุกวลพุทธโมฟังกัมพิชาก็พยายามจะไปทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้วันนี้ก็นําเสนอบระสุทธิที่มาในอังกุตระนิกายเป็นกรรตามที่ชงมาโดยป ร, รามชื่อชานุโสนีซึ่งป ร, รามนี่เขาก็มักจะเป็นผู้ที่ชอบโต้วาทะเป็นผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้ ชอบไปคุยกับนักปราบบัณฑิตชา น, นุสโณนิพ ร, รานนี่นเป็นหนึ่งในคนที่มักจะไปคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆในเรื่องนั้นเรื่องนี้ประสุดนี้มาในอังกุตนานิกายหมวดที่มีหกข้อมีตรมะหกประการที่จริงๆแล้วกัประเจ้าก็เพิ่งได้คุยกับทมุฟังไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่ว่าอยากจะอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจที่ยังไม่ได้พูดไปในรายละเอียดเมื่อสัปดาห์นั้นวันนี้ก็จึงอยากจะมาเจาะลงไปในรายละเอียดของขัตติยสูตรโดยชานลุชนิปรามดูฟังได้ไปถามพระพุทธเจ้าถึงหัวข้อ5ประการของบุคลบคล6ประเภทบุคคล6ประเภทเนี้ เขาอะไรในธรรมะห้าประการนี้ของบุคคลหประเภทนี้ก่อนทุกบ้างบุคคลหประเภทนั่นก็คือเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายคนที่มีเชื้อเจ้ามีอำนาจวาสนามีบารมีเนี่ยนี่คือประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอยู่ในวรรณะกษัตริย์ประเภทที่สองนี่นก็คืออยู่ในวรรณะพราหมณ์คนที่เป็นพวกพราหมณ์ที่เขาจะมีหน้าที่เป็น หมายบ้างเป็นปุโรหิตบ้างเรียนหนังสือบ้างประกอบพิธีกรรมนั่นนีน่นี่คือประเภทที่2ประเภทที่3นั้นก็คือข้าราชการบดีก็คือคนที่เป็นค้าราชการกรองเรือนทํางานที่เป็นการเกษตรบ้างการค้าขายบ้างข้าราช บ, บางคนก็รับราชการก็มีแต่ว่าไม่ใช่ข้าราชการทหารละ่ะแต่ว่าเป็นทางธุรกิจ หรือไม่ก็ทางการเกษตรหรือไม่ก็ทางด้านศิลปะอันใดอันหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับอาชีพหน้าที่การงานของเขานี่คือประเภทที่สามบุคคลประเภทที่สี่นั่นคือเรื่องของสตรีผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงนี่ก็จะมีหน้าที่ลักษณะเฉพาะในสมัยนั้นก็คืออยู่ครองเรือนดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องครัวเรือนเรื่องการเลี้ยงดูบุตร ทิดานี่คือในสมัยนั้นและบุคคลประเภทที่ห้าคือโจรแล้วโจรนี่ก็หมายถึงคนที่จะเพ่งเลงเอาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นบุคลบลบคลประเภทที่ห้าละบุคคลประเภทที่หกนั้นคือสมณะหมายถึงผู้ที่ประพฤติ ธ, ธรรมผู้ที่คิดจะหลุดพ้นแล้วเป็นนักบวชทำไมชานุโสรณิปรามตึงได้ไป อยากจะรู้เรื่องราวของคนทั้งหกประเภทนี้เอ้าเพราะว่าเขาเป็นพราบกันผู้ฟังเขาเป็นพราบเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าใจเรื่องผู้คนว่าคนนี้คนนี้แบบนี้เขาต้องการอะไรอย่างนี้อย่างงี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมสําหรับบุคคลเหล่านั้นเช่นพิธีขึ้นกรองราดนี่โหยชาว บ, บ้านทั่วไปจะมาทําได้ไงใช่ไละ่ะก็ต้องเฉพาะกษัตริย์เป็นพิธีกรรมเฉพาะกษัตริย์ ก็ค์เงิปราหมาก็ต้องเข้าใจว่าเออกษัตริย์นี่เป็นยังไงจำลายนี่ก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่าชาวบ้านชาวบ้านเขก็สนใจเรื่องการค้าขายแล้วการค้าขายไงถึงจะขายดีขาก็ต้องสนใจข้อนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมที่จะตอบโจทย์กับบุคคลเหล่านั้นหรือว่าผู้หญิงนี่ผู้หญิงเวลาตั้งคันเราก็ปรารถนาที่ว่าเออทําไงจะให้คันบริหารออกมาดีไม่แพ้ท้อง ลูกในคันนั้นปลอดภัยก็ต้องมีพิธีกรรมมีพิธีกรรมก่อนคลอดพอคลอดออกมาแล้วจะทำไงให้ลูกไม่ป่วยไข้ก็ต้องมีพิธีกรรมไหนจะโกนจูกไหนจะตั้งชื่อไหนจะทำนั่นทำนี่โอ้หลายอย่างจิบาดาเขาก็ต้องเข้าใจไงบางทีโจร น, นะโจรก็มาพึ่งพรามเหมือนกันให้ทาพิธีกรรมนั่นนี่การบูชายันต่างๆก็มีพราม บางประเภทที่จะต้องไปเข้ากับพวกโจรเป็นที่ปรึกษาให้ก็มีเพราะฉะนั้นชานุโสนิปรามก็จึงมักจะสนใจอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ซึ่งไปถามพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านอยู่ที่วัดเชตวันเข้าไปแล้วก็ถามในประเด็น5ประกาศนี้ของบุคคล6ประเภทที่ได้กล่าวไปแล้ว ประเด็นหประการคืออะไรข้อแรกคือเรื่องของความประสงค์ว่ามีอัธยาศัยที่อยากจะได้อะไรนั่งกันในทั้งหประเภทนี้นะบุคคลทในหกประเภทนี้ท่านมีอัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมอะไรมีอรธยาศัยที่จะเพ่งเล็งไปในทางไหนพูดง่ายๆก็คืออยากได้อะไรนั่นแหละประสงค์ความต้องการนี้ ก็จึงเป็นธรรมประการแรกที่ชานุโสโณนิปรามเขาถามถึงในบุคคลทั้งหประเภทนี้ว่าอยากได้อะไรนี่ก็ข้อที่หนึ่งธรรมประการที่สองที่พระบริชาได้แจกแจงคือความนิยมนิยมนี่หมายถึงจิตของบุคคลทั้ง6ประเภทเนี้เขาจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อย หมายความว่าไอ้ที่ที่เราแบบว่าต้องการจริงๆอ่ะคือเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหละ่ะคือความประสงค์ว่าฉันอยากได้อันนี้แต่ว่าถึงแม้ว่าอยากจะได้อนั้นก็จริงอ่ะแต่มันก็ยังจะต้องพลิกไปคิดเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างคื อ, ง อ, งคอความนิยมตรงนี้ล่ะว่าจิตนั้นจะเที่ยวไปคิดไปในเรื่องใดตัณจกิกานิยมนิยมหมายถึงการที่ว่าที่เที่ยวไปของจิต ว่าจิตเนี่ยได้ที่เที่ยวอย่างนี้อย่างนี้้อที่สามคือความมั่นใจมั่นใจในที่นี้หมายถึงอะไรเป็นฐานที่ตั้งคือถ้าเรายืนอยู่บนพื้นที่มีความมั่นคงเขาก็จะเกิดความมั่นใจอะไรที่จะเป็นที่ตั้งให้เกิดความมั่นใจในที่นี้ก็จะหมายรวมถึงการเอาเป็นที่พึ่งด้วยนะคือคุณมีอะไรเป็นที่พึ่ง ที่ใช้เกิดความมั่นใจนั่นเองในกิจกรรประการที่3และกิรรมประกา ร, ท, ร, ร, ร, การที่4นั่นคือการโหยหาที่ว่าแสวงหาสวงหาเนี่ยหาข้อแรกอยากได้ข้อแรกเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ที่ว่าจิตมักจะเที่ยวคิดไปเรื่องนี้นิยมนี่ที่จะมาช่วยเสริมแล้วมีความมั่นใจนั่นแหะเป็นที่พึ่งแล้วต้องการอะไรกันแน่ นี่คือพอได้สมอย่างข้างหน้าแล้วไอ้นี่แหละคือที่ต้องการจริงๆอยู่ตรงนี้หลืวไอ้ที่ว่าต้องการต้องการได้มาแล้วเนี่มันจะจบที่ไหนจบที่ไหนนี่คือขอ 5, ้อตีห์าดูมาฟังมีอะไรเป็นที่สุดขอด้อติศีเมื่อสกรูนี้ทใกัณฐ์ว่าอภินิเวสส่วนที่ว่ามีที่สุดนี่คือบริโยสนาคือรู้ว่าโอเคอันนี้ฉันจบละฉันได้ หาข้อที่หนึ่งคิดอยู่เรื่อยในข้อที่สองใช้ข้อที่สาเป็นที่พึ่งปุริยาให้ได้ข้อที่4ได้ข้อที่4แล้วรู้ได้งไงว่าได้แล้วจบแล้วก็คือตรงข้อที่หาธรรมะห้าประการนับฟังในบุคคล6ประเภทเรามาไล่เรียงกันไปนบับฝังในข้อแรกกษัตริย์คนี้อยู่ในวันนักกษัตริย์เป็นใหญ่เป็นโตมี ข่าบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดมีทรัพย์สินเงินทองมียศตำแหน่งนาฏีนี่ในข้อแรกความประสงค์ัตยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมมานั่นก็คือเรื่องของโภคทรัพย์ต้องมีเงินข้อที่สองที่ว่าเป็นที่เที่ยวไปของจิตมันจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญา ในข้อที่สองต้องมีอันที่สามนี้เป็นที่พึ่งซึ่งคือมีความมั่นใจในข้อนี้ท่านกย็ยกเรื่องของกําลังกําลังในที่นี้หมายถึงทั้งกําลังกายและกําลังทหารด้วยกําลังกายนี่คือส่วนที่เป็นภายในกําลังทหารนี่คือส่วนที่เป็นภายนอกเอามีสมอย่างนี้มีไปทาไมข้อที่สนี่นคือความต้องการไงสามอย่างเนี้ เงินทองคือเรื่องที่จะเพ่งแรงเอาสะสมให้ได้แล้วก็ปัญญาคือจุดที่จะคิดถึงอยู่เรื่อยจุดที่จะนิยมจิตนี่จะไปทางนั้นแสวงหาอยู่แต่ไม่ใช่เอาเรื่องหลักเรื่องหลักนี่คือเมื่อสักครูน่นี้คือเรื่องเงินทองแล้วก็ต้องมีที่พึ่งเสริมสร้างที่พึ่งของตัวเองให้มันคงนั่นคือกำลัง ทั้งกาลังภายในคือร่างกายของตนทั้งกําลังภายนอกคือกําลังทหา ร, รเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เคยดูหนังพวกจากจากวงวงหรือหนังกําลังภายในจีนอย่างนี้แต่ก็มักจะพูดถึงเรื่องยาบำรุงให้กษัตริย์มีสุขภาพแข็งแรงถึงกฤติา 3. สามสามประการ น, นี้รวมกั น, นต้องการอะไรกันแน่ในกฤติี่นะั่คือความต้องการได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ความยิ่งใหญ่ทั้งแผ่นดินนี่คือต้องการอา้าวมีแล้วยังไงคือถ้าเรามีความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินก็แค่บ้านชั้นางนี้ใช่ไหมละ่ะอา้าวคุณก็ยิ่งใหญ่อยู่คุณเป็นเจ้าของที่เจ้าของอะไรใช่ไหมแต่ว่าเป็นกษัตริย์นี่คือทั้งแผ่นดินมันไม่ใช่แค่ที่ดินเฉยๆนะมันคนด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้ถึงความเป็นยิ่งใหญ่นี่ก็ต้องสามารถให้อิสริยยศได้แล้วก็จึงมีอิสริยยศเนี่ยเป็นที่สุด 3อย่างแรกนะเป็นที่ต้องรวบรวมมาได้มาเป็นเหตุเพื่อให้ได้ข้อที่4นั่นคือความต้องการได้ข้อที่4มาแล้วจะรู้ได้ไกัว่าเขาีนี้ฉันสำเร็จแล้วก็มาดูข้อที่5คือความเป็นใหญ่สำหรับราชานั้นรวบ ร, รวม3ประการแรกคือโฟกั์ปัญญากําลังกายกําลังฐานเพื่อได้ความเป็นพระชาแผ่นดินแล้วก็มีอิสริยยศ คือความเป็นใหญ่ที่จะประทานให้คนนั้นคนนี้ได้นรคือถึงความเป็นใหญ่ที่สุดแล้วนี่นคือบุคคลประเภทที่หนึ่งบุคคลประเภทที่สองคือพรามจารุโสนีพรามก็ถามในธรรมห้าประการนี้คนที่เป็นพรามนี่เขายังไงในธรรมหประการนี้ประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรสามอย่างนี้รวมกันแล้วเพื่อต้องการอะไรกันแน่ แล้วต้องการทําบบนั้นไปแล้วมันจะจบลงยังไงที่ไหนระดับแรกพราหมเนี่ก็ประสงค์โภคาศัพท์เหมือนกันก็คืออยากได้เงินเหมือนกันประการที่สองที่เที่ยวไปของจิตมกักจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทศัพย์นิยมปัญญาแต่เรื่องมือที่เขาใช้เป็นที่พึ่งนั้นไม่เหมือนกันสําหรับพราหมณ์นั้น ก็จะมีความมั่นใจในมนกษัตริย์นั้นต้องมั่นใจในกำลังคือทั้งกาลังภายในกำลังทหารกำลังในการต่อสู้กำลังในการรบแต่พวกปรามนี่จะมีมนเป็นที่พึ่งคือมั่นใจในมนของตนใช้สามอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ต้องการทำพิธีกรรมคือการบูชาหยันการบูชายันเป็นพิธีกรรมดูฟัง ที่ไม่ได้มีผู้รับคือผู้รับนี่ไม่ได้มาอยู่เป็นๆอยู่ต่อหน้ากุณแล้วก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกพรหมโลกบ้างเทวดาบ้างแล้วเราก็ตั้งไว้เฉย เ, เรื่องบูชาต่างๆก็ทำพิธีกรรมไงการทำบูชายันจึงเป็นลักษณะที่เน้นพิธีกรรมสมากในขณะที่การให้ทานนี่จะเน้นผู้ให้ผู้รับแล้วก็ของแต่ส่วนการบูชายัน ที่ก็เป็นหน้าที่ของพวกพราหม์ที่เขาจะทำเขาก็รวบรวมสามอย่างเนี่ยมาทําหลักๆ ก, ก็ต้องมีมนละคํากล่าวละ่ะคําอวยพร ล, ละ่ะคํากล่าวคําอวยพรเรื่องแบบบทสวดนั่นนี่นี่คือพวกมนเลยเป็นหน้าที่ของพวกพราม์โดยตรงเขาต้องแบบว่ามาศึกษาทำอันนี้ให้เป็นที่พึ่งเลยเป็นลักษณะของพราหม์ ทำไมทำไมนี่รวบรวมสามอย่างเข้าโภคทรัพย์ปัญญามนเพื่อที่ทำกิจกรรมที่เรยการบูชายันเป็นพิธีกรรมต่างๆทำไมทำไมอา้าวต้องการสูงสุดเลยนะคือพรหมโลกมีพรหมโลกเป็นที่สุดเป็นประโยสารมันจะจบตรงนี้ถือว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จแล้วได้ไปอยู่กับพรหมถัดมาบุคคลประเภทที่สามดูฝั่ง ใรืนี่ยข้าพเจ้าอยากจะให้ทุกฝั่งได้ฟังรวมทั้งหมดก่อนเนาะเราก็จะมาวิเคราะห์ความหมายทางด้านบทเพยัญชนะอย่างที่เราอธิบายกันไปผิวเปืน่นเราก็ยังมีความหมายทางนั้นลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพิ่มเติมแตกต่างออกไปอีกบุคคลประเภทที่สคือข้าราชีารข้าราชกาคือคนที่ครองเรือนตัวไปใช่ไหมประสองค์อะไรอยากได้อะไร เหมือน ก, นกันกับทั้งกษัตริย์เหมือนกันกันกนกบทั้งปรามคืออยากได้โภคทรัพย์แสวงหาแสวงหาเนี่ยคือแสวงหาโภคทรัพย์ที่แสวงหาโภคทรัพย์นั้นจิตที่จะคิดไปจะใช้อะไรจังไงก็ใช้ปัญญาใช้ปัญญาคือนิยมปัญญาจิตเนี่ยมักจะคิดไปเที่ยวไปเพื่อที่จะให้ได้ปัญญาเห็นไหมสามบุคคลประเภทแรกเนี่ยจฟังนะ เหมือนกันในธรรมะสองประการแรกกษัตริย์พราหมณ์ขรรภดีมีความเหมือนกันในความประสงค์และความนิยมคือประสงค์โภคาทรัพย์และนิยมปัญญาหมายถึงที่ฉันเกิดมาฉันจะรวบรวมเอาเนี่ยงเงินในขณะที่ฉันต้องการเงินฉันก็คิดนึกเรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้เป็นที่เที่ยวไปของจิตคือนิยมปัญญาเหมือนกันสองอย่างในขณะที่ทางก็ดรรภดี ที่อยู่ครองเรือนต้องทำงานนั่นนี่ก็ใช้เครื่องมือแตกต่างกันถ้ากษัตริย์ใช้กำลังทหารใช่ไหมใช้กำลังกายภายในภายนอ ก, นนอกพ ร, ราม์นี่ใช้เรื่องของมนมีมนเป็นฐานที่ตั้งมีมนเป็นที่พึ่งส่วนกษัตรปย์นั้นต้องมั่นใจในการงานศิละปะของตนคือวิชาชีพของตนคุณเป็นอะไรอะหมอหมอเขาก็ต้องมั่นใจในความรู้ของหมอ เป็นพยาบาลก็ต้องมีความมั่นใจเอาความรู้ดัานงพยาบาลของฉันเป็นที่พึ่งเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีเป็นคนค้าขายเป็นนักธุรกิจเป็นคนเขียนโปรแกรมเป็นเว็บเดเวลอปเปอร์พัฒนาเรื่อง AI หรือเป็นพนักงานก่อสร้างเป็นพนักงานกวาสนนเป็นพนักงานทำอะไรก็แล้วแต่จะทำบริษัทตัวเองหรือมีเจ้านายทางานให้คนอื่นต้องมีศิลปะ พวกนี้ทั้งหมดเรียว่าเป็นศิลปะหมายถึงทักษะวิชาชีพของเรานั่นเองทักษะวิชาชีพของข้าพเจ้าดีนี่คุฎองมั่นใจในข้อนี้ศิลปะนี้ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่การวาดเขียนการวาดภาพนะแต่หมายถึงวิชาชีพของเราซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็อธิบายไปหลายรอบแล้วในส่วนที่เป็นสมาอาชีวะ คือในส่วนของเรื่องสมมาอาชีวะเนี่ยจะกินความกว้างกว่าเรื่องของศิลปะเพราะว่ารวมถึงแม่บ้านที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยคือไม่มีศิลปะในการที่จะทำงานด้านใดๆแต่ก็สามารถมีสมมาอาชีวะได้แต่ในธรรมะที่ชื่อว่าคตัตยสูตรเรื่องของความมั่นใจที่ใช้เป็นที่พึ่งสําหรับกรบดีนั้น หมายจะโจงเรื่องการงานเท่านั้นถ้าคนที่ไม่มีทักษะในการงานอะไรเลยก็คือคุณก็ไม่มีที่พึ่งในที่นี้เช่นคนที่เป็นแม่บ้านนะแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆนี่จะไม่ได้มาจัดอยู่ในบุคคลประเภทที่สามแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่บ้านแล้วฉันก็ขายของออนไลน์ด้วยน ะ, ะทักษะการขายอันนี้จัดอยู่ใน้อริสนี้ก็คือต้องมีทักษะในการทาธุรกิจ ทั้งการสต็อกของการขายการปิดดีลการส่งของการจัดการนั่นนี่โปรโมชั่นอันนี้เป็นทักษะนะเป็นศินละปะอย่างหนึ่งก็ต้องมีความมั่นใจหมายถึงใช้เป็นที่พึ่งได้ในกอณีสาของบุคคลประเภทที่3คือขรอดีสาคือศิละปะนั่นเอง3อย่างที่ว่าเนี่ยมีแล้วทำไมเพื่ออะไรต้องการอะไรกันแน่ มีโกพกษะมีปัญญามีศิลปะทักษะในการทํางานของฉันเอาก็เพื่อทํางานไงให้มันมีงานทําการงานนี่จึงเป็นที่หวังเราสมมติคุณมีทักษะการขายจะขายของก็หวังเงินยช่ไหมละ่ะก็ต้องมีปัญญาในการที่จะคิดนึกอานว่าจะขายอะไรราคาเท่าไรผู้แข่งไวไง่ายังไงจะมีโปรโมชั่นอย่างไรแล้โประกอบกับจะทำแล้วขายไม่ได้ เอาการงานมันก็ไม่สำเร็จมันก็ไม่มีงา น, นก็ต้องขายให้ได้ไงถ้าคุณเป็นนักออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสินค้าออกแบบเว็บไซต์การงานก็นการออกแบบคุณต้องไปออกแบบศิละปะนั้นถึงจะได้มาใช้งานถึงจะได้เงินมาได้หรื อ, รอการทําการเกษตรหรือการค้าขาย อาชีพเป็นหมอพยาบาลนะักคำนวณพวกนี้คุณมีสิลปะเหล่านี้แล้วก็หวังเอาการงานคือมีงานทํามีธุรกิจมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมการงานตรงนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการเมื่อรรมาประการที่สทํางานไปทําไมทําไมก็หวังให้งานมันจบคือไม่ต้องทํางานแล้ว อ, อ๋อเลยต้องการทํางานหรือไม่ต้องการทํางาน แ, แน่นแนต้องการสิแต่ว่าทําแล้วก็หวังให้งานมันจบ ขายของสิเราก็หวังว่าจะต้องขายได้ตามยอดหรือเริ่มโปรเจกต์สิเริ่มโปรเจกต์แล้วมันก็ต้องมีจุดจบเพื่อให้โปรเจกต์มีงานออกมาหรือเป็นที่สุดว่าให้งานนั่นอ่ะมันสำเร็จมันจบได้ซึ่งฟังดูเหมือนย้อนแยงน้งเลยท่านฟังว่กคุณต้องการหรือไม่ต้องการกันแน่คือต้องการให้มันมีแล้วก็ต้องการให้มันจบถ้าจะให้มันจบก็ไม่ต้องทำตั้งแต่แรกไม่ใช่ เพราะว่ามีศิละปะเป็นที่พึ่งไงจึงต้องการทําเราต้องการทําให้มันจบด้วยนัคือประการที่ยมีการงานที่สุดจบเป็นที่สุดสําหรับบุคคลประเภทที่สาคือกระเบดีช น, นุชอนิปรามก็ข้าถามถึงแล้วถ้าสตรีละ่ะหมายถึงผู้หญิงหญิงที่ต้องอยู่ครองเรือนจะต้องแต่งงานเป็นแม่บ้านประดุบดในสมัยนะั้นเป็นอย่างนั้น จะได้ต้องฟังของฟังเปรียบเทียบนะว่าเอาถ้าผู้หญิงสมัยนี้ออกไปทำงานก็จะต้องจัดเข้าอยู่ในส่วนของขระเบรยบหรือถ้าผู้ชายสมัยนี้เกิดอยู่บ้านก็มีนะประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศฝ่ายหญิงหาเลี้ยงครอบครัวฝ่ายชายอยู่บ้านก็มีหรือว่าถ้าเป็น LGBTQ หละ่ะหญิงทั้งคู่หรือชายทั้งคู่อาจจะถส่งคนไปทางานก็ดรเป็นขระเบียบ แต่ถ้ามีใครอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานชนิดที่ว่าต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวเอาก็อีกฝ่ายหนึ่งนั้นนึกก็เป็นสตรีในทีน่นี้แล้วถ้าเพราว่าจ้างแล้วถ้าเราจ้างคนมาทำงานบ้านเช่นจ้างคนมาเป็นแม่ครัวเพ่ากลัวจ้างคนมาทำความสะอาดการจ้างคนที่รับจ้างก็เป็นเครือข่าดีเหมือนกันแล้วก็ประสงค์โปรกศนิยมปัญญามั่นใจในศิลปะ มีความต้องการงานแล้วก็ให้งานสุดจบเป็นที่สุดเหมือนกันแต่ถ้าเพราะว่าไม่ได้จางเราเป็นคนที่อยู่ในเรื่องของเราสตรีในที่นี้ชานุฒิโสณีพรางก็ถามสตรีเนี่ยประสงค์อะไรนิยมอะไรมันใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพระรชาตอบอย่างนี้ท่าฟังบอกว่าสตรีนั้นก็ประสงค์บุรุษคือเพศตรงข้ามคือความเป็นกู้ครอง เวลาคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะคิดไปเครื่องประดับต่างๆในความอลังการในที่นี้หมายถึงการแต่งตัวนั่นเองจะคิดว่าจะแต่งตัวยังไงให้มันสวยงามทั้งไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอาพรไม่ใช่แค่เครื่องประดับนี่ยรวมถึงผิวพรรณด้วยนะถ้าช่วงนี้ฉันต้องโมหน้าอย่างนี้แต่งหน้าอย่างนี้รองเท้าอย่างนี้ ผิวพรร์นี่ต้องทาครีมประเภทนี้แต่งหน้าต้องใช้โทนสีนี้ไปงานนี้เนี่ยจะคิดเรื่องการแต่งตัวให้มันอลังการให้มันแบบดูงามดูดีนี่มักจะคิดไปในเรื่องนี้คือนี่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ว่าเมาหรอกนะทุกังนะแต่เราเห็นดูๆเนี่พวกขายครีมขายน้ำยา ไม่ผ่านตั้งแต่สีสะจนถึงเท้านะก็ขายผู้หญิงนี่แหละสัดส่วนมากแล้คือเรื่องสำอางทั้งหมดเรื่องแต่งกายทั้งหมดในอุตสาหกรรมทางด้านคอสเมติกนี่เขาประมาณการเอาไว้ว่า 73% เป็นี่เป็นผู้หญิงแล้วอีก 27% เปอ็นี่เป็นแค่ของผู้ชายสิ่งทางนี้ทั้งนั้นอ น, นี้คือเปลี่ยนแปลงตามอายุ้วยนะ ยิ่งถ้าอายุน้อยลง18แปดอะไรเงีย้ยสัดส่วนของผู้หญิงนี่ยิ่งมากกว่าของผู้ชายแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็3ามสบเจดสที่เป็นนี้เพราะว่าผู้หญิงก็สนใจใเรื่องนี้มากไงสนใจใส่ใจเดี๋ยจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเป็นที่ไปของจิตในทันทีที่วันนิยมเรื่องประดับเรื่องแต่งหน้าต่างๆเหล่านี้คือสนใจใเรื่องพวกนี้ในขณะที่ กระดับบดีสนใจเรื่องปัญญาพระามกษัตริย์นี้สนใจเรื่องปัญญาสตรีนี้สนใจเรื่องเครื่องประดับเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ทําให้เวลาที่ใช้งานไปก็จะใช้ไปกับพวกนี้ไงธรรมบุฟังแล้วข้อที่มีความมั่นใจจะใช้อะไรเป็นที่พึ่งให้ตัวเองมีความมั่นใจสําหรับสตรีนั้นพระพุธทธเจ้าอธิบายว่า ใช้ลูกนั่นเองโดยย่อยิ่งลูกชายลูกสาวก็ต้องมีด้วยแหละนะในที่นี้ท่านใช้คาว่าบุตรคือลูกมีลูกเนี่ยเป็นที่พึ่งลูกเนี่ยเป็นที่พึ่งทั้งสําหรับความเป็นอยูยใ่ในครัวเรือนที่ว่าจะให้สามีมอบความเป็นใหญ่ให้ก็อเอาลูกนและมาเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะบํารุงลูกตัวนี้ หรือถ้าโตขึ้นไปแล้วแหมใครจะเลี้ยงดูแม่ล่ะเขาก็พึ่งลูกนี่แหละมีลูกนี่แหละเป็นที่พึ่งทางลูกสาวลูกชายวังเอาเป็นที่พึ่งหมดคือในภาษาบาลีเนี่ยทุกฟังมันจะมีเพศที่ระบุไว้ในแต่ละคําแต่ละคําละคําก็นห่จะมีเพศคล้ายๆกับของภาษาฝรั่งเศสทีนี้ บ, บางครั้งที่เราจะพูดถึงทั้งสองเพศแต่ว่ามีช่องว่างสําหรับคําคําเดียว เราก็มักจะใช้คำที่ระบุเป็นเพศชายหมายถึงทั้งสองเพศนั้นแต่เพระาะว่าข้อจํากัดของคําที่มีก็จึงระบุแค่เพียงเพศเดียวในที่นี้ก็คือตั้งลูกสาวลูกชายนั่นแหละถ้ามีลูกนี่นะก็หวังพึ่งเอาลูกนี่แหละในขณะที่พราหมณ์ก็หวังพึ่งเอามนัสัตหนีหวังพึ่งเอากําลังทหารขรรบดีนี่หวังพึ่งเอ า, า, าศออาิลปะความรู้หน้าที่การใหญ่ของดน สตรีนั้นหวังพึ่งลูกตั้งแต่เกิดมาเลยลูกนี่พึ่งได้นะตั้งแต่เกิดนี่เขาเป็นข้ออ้างในการที่จะได้รับการบำรุงเลี้ยงการเลี้ยงดูได้ ร, รามนี่ก็เอามนต์ของตัวเองพิธีกรรมนี่แหละมาเป็นข้อในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ขรรเบดีก็เอาศิลปะการงานของตัวเองนั่นแหละมาใช้ในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูดูไปทำไมเราต้องการอะไรที่ว่ามี ประสงค์บุรุษเน้นการแต่งตัวเครื่องประดับต่างๆมีลูกแล้วหวังความที่ไม่ต้องการมีหญิงอื่นร่วมสามีอ่ะทุกฝั่งนี่คือต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้ไปทําไมเอาก็หวังความเป็นใหญ่ในบ้านไงมีความเป็นใหญ่เนี่ในบ้านเป็นที่สุดมันมีความเป็นใหญ่นี่คือท่านใจ้คำว่าเป็นแม่เจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนที่จะคอยดูแลสั่งการงานนั่นนี่ แล้ในเรือนนี่นสั่งได้หมดตั้งแต่ผัวจนถึงคนใช้บางทีเผลอสั่งพ่อผัวแม่ผัวด้วยเออเอาทำไมคุณถึงทำงานได้เอาหลานมาล่อไงเอาลูกไงเอาหลานเอาลูกเนี่ยมาใช้ในที่นี้หมายถึงเป็นที่พึ่งแล้วเอาก็ต้องมีผู้สืบทอดสกุลต่อไปที่ฉันก็เป็นคนเลี้ยงดูใช่ไหมล่ะคุณปู่นะช่วยทำแบบนี้หน่อยคุณย่านะช่วยทำแบบนี้หน่อยสั่งได้หมดนะท่าฟัง เพราะว่ามีสิ่งนี้เป็นที่สุดไงเธอมีสามอย่างละมีความประสงค์บุรุษก็จึงได้มีลูกมีเครื่องประดับอลังการความสวยงามก็มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดก็สังเกตอันหนึ่งตัววังสำหรับสตรีที่มีความเป็นที่สุดนี่คือความเป็นใหญ่เนี่ยนะเหมือนกันกับกษัตริย์เลยนะกษัตริย์เนี่ยมีความเป็นใหญ่คืออิสริยยศเป็นที่สุดใช่ สั่งการนั้นนี้ได้ฝ่ายสตรีก็เหมือนกันนะมีการที่จะสามารถสั่งการงานในบ้านของตนเองเนี่ยได้นะเป็นที่สุดนะ่ะเออแต่ว่าฝ่ายสามีนะสมมติว่าถ้าสามีทํางานเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมาอยู่ในบ้านแล้วจะไม่ต้องการจะสั่งอะไรแล้วนะคือเธอสั่งการงานให้จบเลยส่วนฉันนี่เป็นพ่อบ้านกลับมาแล้วงานฉันเสร็จแล้วฉันอยากจะอยู่สบายสบายมีการงานสําเร็จ เป็นที่สุดเนี่ยมันจึงตอบจอดกันทุกฝังแล้วคนที่เป็นพ่อบ้านไปทํางานนอกบ้านมาใช่ไหมมีศิลปะมีการงานของตัวเองไปเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งเพื่อมีการงานพอการงานเสร็จแล้วนี่คือฉันไม่ได้จะมวหวังความเป็นใหญ่ในบ้านละในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แล้วหวังความเป็นใหญ่ในบ้านแลนนแ้ ว, วลจึงเข้ากันได้ในกรณี้คนหนึ่งไม่ต้องการเป็นใหญ่อีกคนหนึ่งต้องการเป็นใหญ่เออมันจึงอยู่กันได้ คนหนึ่งหวังโภคทรัพย์คนหนึ่งหวังบุรุษเออมันยังอยู่กันได้ตอบโจทย์กันเขาสังเกตอีกประการหนึ่งนะทูฟังสมบัตสตรีความเป็นใหญ่นี่เหมือนกันกับของพระราชาพระราชานี่ต้องการความเป็นใหญ่ในประเทศใช่ไหมฝ่ยายสตรีต้องการความเป็นใหญ่ในครัวเรือนในบ้านต้องการความเป็นใหญ่เหมือนกันเออจึงทำให้บางทีเราดูเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างเหล่านี้ หรือในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะของจีนของประเทศไทยในสมัยไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะมีนางสนมหรือที่สําหรับบํารุงบําเรอพระราชาอยู่มากนางสน ม, มนหมายถึงผู้หญิงนั่นเองแต่ว่าก็จะมีผู้หญิงคนเดียวในที่จะเป็นใหญ่หรือเป็นอัครมเหสีแล้วก็จึงเข้ากันได้ชนนี้ในข้อมูลตัวเนี้ยครับท่านทั้าอยากให้ทุกฝั่งคิดเป็นตาราง โ, โดยทางด้านซ้าย แต่ละแถวเรียง ล, ง, ลงมานี่คือบุคคลทั้ง6ประเภทในทางด้านบนก็คือคุณสมบัติ5ประการนี้มีความประสงค์มีความนิยมมีความมั่นใจมีความต้องการมีอะไรเป็นที่สุดเราจะพบว่าในสบุคคลประเภทแรกกษัตริย์ปราหมทย์มีสองคุณธรรมแรกเหมือนกันคือประสงค์โกพกาทราบและก็นิยมปัญญาเหมือนกัน คืออยากได้เงินทองสนใจเรื่องปัญญาในกรณีนนที่สําหรับสตรีและกษัตริย์จะเหมือนกันในประการสุดท้ายคือความต้องการเป็นที่สุดเนี่ยเหมือนกันเรื่อ น, นี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งส่วนบุคคลประเภทที่5คือโจรชาติสุนิพรามก็ถามถึงเรื่องโจรล่ะแล้วโจรอ่ะตะกี้คือทําความเข้าใจในวันนั้นหลักๆทั้งสี่วันนั้นลักษ์กษัตริย์พรามแพทย์สูตรนี่ แฝงสูตรนี่รวมอยู่ในเค ร, อรดอบารีใช่ไหมสตรีแยกมาในข้อที่สแล้วโจรล่ะแล้วโจรอยากได้อะไรสนใจเรื่องไหนและมั่นใจในอะไรมีความต้องการอะไรและความต้องการนั้นจะสูงสุดได้อย่างไรพระบรทธเจ้าอธิบายดังนี้ว่าโจรเนี่ยวังเพ่งเล็งและต้องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นสนใจในเรื่องของที่ลับ ตรงไหนจะเป็นลับตรงไหนจะซ่อนได้สนใจเรื่องนี้มีความมั่นใจในสัตราคืออาวุธคเครื่องมือที่จะไว้ใช้กู้บังคับแล้วมีความต้องการที่มืดที่ที่จะซ่อนตัวที่ที่จะหลีกเร่นและมีความที่ให้คนอื่นไม่รู้จับตัวเป็นที่สุดข้อนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาไปลักทรัพย์ของคนอื่น เราก็ไม่อยากให้คุณหนึ่งเขารู้ว่าตัวเองมีทรัพย์นี่คือที่สุดอย่างนี้ไม่อยากให้คุณหนึ่งเขารู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงมีกระบวนการการฟอกเงินเนี่ยดูวัางการฟอกเงินเนี่ยเขสนใจเรื่องนี้การสนใจนี่หมายถึงการนิยมคือเอาใจใส่คิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยทาให้กระบวนการการฟอกเงินเนี่ยดูวังมันมีเทคนิคมากมายตั้งแต่ใช้หวยอ่ะอย่างนี้ก็ได้เป็นการฟอกเงินได้ ใช้ธุรกิจเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้การค้าขายเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้พระเครื่องอย่างได้เลยนุ่ฟังใช้การเล่นหุ้นการเทรดหุ้นเป็นการฟอกเงินก็ได้คือหวังว่าจะมีนะแต่ไม่ต้องการให้คุณรู้ไงคำว่าเล้นลับคําว่ามืดเนี่หมายถึงว่ามีนะแต่ไม่ให้ใครรู้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่เงินทองเยก็ปรารถนาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เงินทองที่ฉันทาเองนะเงินทองของคนอื่นฉันอยากมี แต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ความต้องการนี่ยจึงสนใจเรื่องที่เลนรับด้วยความต้องการที่ไม่ให้ใครรู้เนี่ยจึงสนใจเรื่องความลีรับความเลนรับความเลนรับในที่นี้หมายถึงกระบวนการวิธีการต่างๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นปัญญาก็ได้นะแต่เป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงซับของผู้อื่นจะบอกว่าเป็นโพลกระซั์ก็ได้นะแต่เอาของคนอื่นมาไงคือจริงๆแล้วโจรนี่ ก็อยู่ในครอบของกษัตริย์ได้อยู่ในคราบของปราหมก็ได้อยู่ในครอบของกษัตริ์ก็ได้เพราะว่าเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนโจนี่จะเอาโหกซับไงไหมล่ะเหมือนกันกับของกษัตริย์ปราหมกษัตริย์มันมีความประสงค์ด้านนี้สวยงามด้านนี้แคบพลิกอีกมุมหนึ่งตท่นั้นเองว่าไม่ใช่ฉันทำเองนะแต่ฉันจะเอาของคนอื่นเออปโปกซับเหมือนกันแหละแต่ว่ามองกลับมุม ในขณะที่ที่รันรบนี่คือไม่อยากให้คุณระะู้ใช่ไ้มล่ะเฮ้ยมันจะมีเทคนิคอะไรยังไงก็อเอาปัญญาเนี่ยเหมือนกันแต่เป็นปัญญาในลักษณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นปัญญาที่เป็นด้านมืดเป็นมิจฉาทิฐิท่านผู้ฟังเราคิดดูเดี๋ยวว่าจะซ่อนสิงใดสิ่งหนึ่งอะคุณต้องคิดแนวคิดอีกนะซ่อนอยังไงก็ถึงจะไม่เจอต้องใช้ปัญญานะหรือจะฟอกเงินเอ้ยจะใช้เทคนิคยังไงฟอกเงินนี้ให้มัน มีที่มาที่ไปบริสุทธิ์ได้คนไม่คิดถึงไม่ต้องใช้ปัญญานะเออแล้วความมั่นใจของเขาก็คือศาสตราคืออาวุธซึ่งอาวุธนี่มีได้ทุกรูปแบบตรงฟังอย่าจะไปคิดว่าจะบอกเป็นปืนเป็นมีดเป็นอาวุธใช้สัรระะ้ระยะใกล้ระยะไกลไม่ใช่คนที่เป็นโจรเนี่ยจะใช้การแบล็กเมย์คือการแบบว่าข่มขู่เป็นอาวุธก็ได้ แตบางทีใช้การจับเป็นตัวประการใช้แบบเงื่อนไขบางประการเป็นอาวุธนี่ก็ต้องมั่นใจในการกระทำข้อนี้เพื่อหวังว่าไม่ให้ใครรู้มีอยู่แต่ไม่ให้ใครรู้เน่ะจะเก็บยังไงนี่คือความต้องการข้อนี้และความต้องการข้อนี้จะสาเร็จได้ก็คือตลอดไปเลยว่าไม่ให้ใครรู้จากเนี่ยไปตลอด ไม่ใช่ให้รู้เฉพาะตอนปล้นหรือไม่ให้รู้เฉพาะตอนเก็บแต่ไม่ให้รู้ทั้งตอนใช้ตอนให้ตอนแบง่งแล้วก็ตอนได้ประโยชน์คือทั้งกระบวนการเนี่ยไม่ต้องกาให้ใครรู้ทั้งหมดเลยแต่มีนะเออมีเงินทองมีบ้านมีสานะทางสังคมแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าได้มาย่างไงเออนี่คือความต้องการก็เป็นที่สุดแบบนี้ คือนี้อย่างที่ว่าว่ามันจะตรงข้ามกันกันกบพระราชากับรามกับพครือบดีแต่เหมือนกันในความที่ว่าตรงข้ามกันแล้วอย่างพระราชานี่มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดใช่ไหมมีสิริยศนี้โจนก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความเป็นใหญ่นะแต่ต้องการความที่คนหนึ่งเขาไม่รู้จักเป็นใหญ่ในดินแนของตนที่คนหนึ่งเขาไม่รู้จักดูอย่างพวกมาเฟียมาเฟียเนี่ยพวกเขามีองค์กรลับต่างๆนั่นนี่ ระบบนักฆ่าระบบพวกพี่จะไปทํางานด้านมืดนี่เขาก็มีตําแหน่งมียศมีอะไรของเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้ดังนั้นมันจึงเหมือนกันแต่ตรงข้ามกันนะ่ะเงินต้องการอยู่แต่เงินของคนอื่นไม่ได้ทำเองปัญญาต้องการอยู่แต่ไปใช้ในการที่จะให้เกิดความลี้ลับหลีกเล้นให้เกิดคนไม่รู้ความบป็นใหญ่ก็เหมือนกันลนักษณะเดียวกันแต่เป็น ด, งดางด้านมืดนั่นเอง นี่คือบุคลบบคลประเภทที่หสมุคคลประเภทที่หคือสมณะเอาแล้สมณะล่ะอนุชนีปรามถามสมณะนี่เพ่งเล็งเอาอยากได้เนี่ยคืออยากได้ขันติและโสรจะจัหมายถึงความอดทนและความสงบส ง, งมิมไม่ได้อยากได้โปกพย์เหมือนกษัตริย์ปรามก็ระเบดีแล้วก็โจรไม่ได้อยากได้บุรุษอื่นเหมือนสตรี แต่อยากได้ขันติโสระจัตที่ว่าต้องการขันติโสระจะนั้นแต่ก็สนใจเรื่องของปัญญาด้วยสนใจเรื่องของปัญญาในการที่ว่าเ อ, อจะทำยังไงถึงจะได้อันนี้มาได้ขันติและโสรัจัตนี้จะพิจารณาด้วยปัญญาอย่างไรนี่คือสนใจเรื่องปัญญาจิตมักจะคิดไปสนใจไปเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีความมั่นใจเอาศีลเป็นที่พึ่ง มีความมั่นใจในศีลใช้ศีลเป็นที่พึ่งสามอย่างนี้ทำไมทำไมมีขันติสรร จ, จาสนใจเรื่องปัญญามีศีลเป็นที่พึ่งนั้นต้องการการไม่มีกิเลสเครื่องกลางบนนั่นเองไม่ต้องการให้มันมีอะไรมากวนจิตใจจิตใจวุ่นวายไม่สงบเนี่ยไม่เอาไม่อยากได้อยากได้ความสงบในภายในความสงบในภายในนั้นมันมีที่สุดจบตรงไหน ขุนแสวงหาขันติสรจักคือความอดทนความสงบทา ง, งียมโดยใช้ศีลเป็นเครื่องมือสนใจ เ, เรื่องอัปปัญญา ม, มาประกอบด้วยก็ต้องการจิตให้มันสงบไม่มีเครื่องกังวลสุดจบนั้นก็คือตรงนิพพานนั่นเองมีนิพพานเป็นที่สุดจบมีนิพพานเป็นที่สุดจบนั้นก็คือไม่ต้องมามีอะไรมากราบกําเริบ อ, อีกอะไอที่ว่ามีต้องการเนี่ยความไม่มีกิ่เลยเครื่องกังวลนี่นะ บางที่มันกลับกำเริบได้ไงเช่นสํารสหรับพระชจาเป็นดินหรือบางทีมีความเป็นใหญ่แล้วสั่งการนั่นนี่ได้แล้วเฮ้แต่ว่าบางทีมีหัวเมืองอะไรที่เขาแตก ข, ข้อขึ้นมาจะมีการแบ่งแยกดินแดนไปอีกมันกลับกำเริบได้แม้แต่ว่าถ้าเป็นกษัตริย์ชนิดเป็นพระเจ้าจักรวรรดเลยนะสั่งการได้หมดคือมันจบจริงๆหรือพรามสาหรับการบูชายัน แม้แต่บูชายันแล้วก็ต้องบูชายันอีกงานนี้เราก็ต้องมีพิธีกรรมอื่นอีกแม้แต่ว่าถ้าได้ไปอยู่ในโพรหมโลกนี่นะมันใหญ่หมดแล้วนะี่มันจบเรื่องนี้ได้จริงหรือข้าราดีคุณทํำโปรเจกต์นี่แล้วคุณก็ทําโปรเจกตนั้นคุณทำการงานนี้แล้วคุณก็ทําการงานนั้นอีกแม้แต่ถ้างานมันจบได้จริงนะคือมันจบดีนะสตรีที่ว่ามีความต้องการไม่มีหญิงอื่นร่วมสามี แม้แต่ตบางทีคนใช้ในบ้านสามีก็เอาทําเมียซะแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าฉันยังมีความเป็นใหญ่ในบ้านนะมันก็ยังพอคุมได้ไงมันก็ยังมีตรงนี้เป็นที่สุดคนที่เป็นโจรมีเงินทองมียศตําแหน่งนั่นนี่ต้องการไม่ให้ใครเขารู้เหรอว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมได้มาได้ยังไงที่มายังไงแม้แต่ถ้าโดนตามจับได้เนี่มันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะถ้าทั้งตลอดชีวิตเลย ใครก็จับไม่ได้เลยพวกนี้คือที่สุดเลยนะแพระทรงนี้ก็เหมือนกันนะบูฟังว่ะแหมที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยจิตใจมันสงบแหมบางทีมันกลับกำเริบได้ไงกลับกําเริบจากเรื่องผัสสะนั้นนี่มากระบเอาแต่ว่าถ้าอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่พึ่งมีปัญญามาประกอบมีขันติความอดทนมีสระจากความสงบสงบเสงี่ยมมาใช้งาน ให้มันมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่นี่แหละคือมันจะไม่กลับกำเริบขึ้นอีกไงทั้งง น, นี่คือเป็นที่สุดขอ ง, งการปฏิบัติในธรรมทั้ง5ประการนี้ในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เป็นสิ่งที่ชานุสนีพราหมณ์ได้ถามพระาพุทธเจ้าได้ตอบในเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือเรื่องของปัญญ า, าทั้งหมด หกประเภทบุคคลธรรมะห้าประการหคูณหมันได้สามสิบใช่ไหมล่ะในทั้งส0สิบอย่างนี่ถ้าสมมติแต่ละประเภทบุคคลแต่ละประเภทคุณธรรมธรรมนั้นแตกต่างกันหมดเลยก็ส0สิบอย่างแต่นีที่นี้มันจะมีเหมือนกันที่มากที่สุดเลยคือเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นความนิยมเป็นความสนใจของทั้งกษัตริย์ของทั้งปราหม ของทั้งเระบดีของทั้งสมณะนี่คืตรงโดยทั้งบทเพียนชนะเลยนะเราจะจเอาความหมาให้ตรงด้วยคือโจร น, นี่ก็สนใจเรื่องปัญญาเหมือนกันนะแต่ใช้ปัญญาในทางลบไงใช้ปัญญาในทางที่จะที่เล่นรับเราเฉพาะเรื่องบทเพียนชนะนี่ถึงสี่ข้อด้วยกันในขณะที่สิ่งที่รองลงมาคือเรื่องของโภกระซับโภกระซับนี่คนที่อยากได้ คือกษัตริย์ปรามกับรบดีโจรก็ด้วยนะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งคือเอาเหัวเรื่อเขาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันจะเป็นันดับสูงสุดอย่ารางเป็นันดับสูงสุดที่ว่าใครๆก็คิดถึงสิ่งนี้สนใจสิ่งนี้เหมือนกันตรงไหนเข้ากันได้ตรงนั้นนี่นหคือสิ่งที่เราต้องเป็นข้อสังเกตได้เพราะฉะนั้น กษัตริย์กับสตรีก็เข้ากันได้ตรงความเป็นใหญ่กษัตริย์พราหมกับรัฐบดีสมณะก็เข้ากันได้ตรงปัญญาจะเชื่อมกันได้ในขณะที่จะเชื่อมกับสมณะด้วยเรื่องของเงินทองไม่ได้ละหรือว่าสมณะนี่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองเรื่องยศตําแหน่งแต่ถ้าจะเข้ากันได้กับพราม์กับรัฐบดีต้องมีเงินให้นั่นคือเรื่องโปรคาร์ซัพเขาจะเข้ากันได้เชื่อมกันได้กับเราจุดนี้ เพราะฉะนถ้าเราจะไปข้องเกี่ยวกับไกลนะเช่นถ้าเราไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขาจัดทำพิธีกรรมนี่เราก็ต้องพูดเรื่องนั้นที่เขาสนใจโออทั้ง5้าประการนี่แหละเรื่องเงินบ้างเรื่องปัญญาบ้างถ้าพวกทำพิธีกรรมกับเรื่องมน์เรื่องการบูชายางพิธีกรรมยังไงสุดแล้วก็เรื่องของคุณธรรมขั้นสูงชนิที่เห็นไม่ได้นะั่นคือพรหมโลกเนาะหรือถ้าจะคุยกับขราชดี ที่เขาทำการงานดัะเคต้องพูดเรื่องโปรเจกต์เรื่องโครงการที่เขาจะสนใจทำอะไรเรื่องปัญญาเรื่องเงินทองสามปีพูดเรื่องเงินทองไม่ได้ก็พูดเรื่องการงานอาจจะเป็นกระดาบดีแต่ถ้าคุยกับผู้หญิงคุยกับผู้หญิงก็ต้องก็สนใจเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการแต่งตัวก็ต้องพูดเรื่องนี้เรื่องผู้ชายก็ต้องพูดเรื่องนี้ไปเรื่องความที่มันไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีเรื่องความไม่เจ้าชู้ก็พูดเรื่องนี้ไป แต่ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวที่ให้เราพอศึกษาแล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยสมาบัติเวลาที่จะมาคุยกับพระเจ้าประสงค์อะมาคุยก็หาปัญญาพูดเรื่องการอดทนพันติสรจัจะไปพูดเรื่องบ้านเมืองเรื่องความบัรยายนการบรนการปกครองการเมืองไม่ใช่ละมันสนใจคนละอย่างถ้าจะมาพูดกับพระก็พูดเรื่องศีลพูดเรื่องความไม่กังวลในกิเลสนะั่นคือสมาธิเรื่องปัญญาตนเอง แล้จานี้ทำฝั่งในประสูจน์ชั้นๆนั้นไม่ได้ยาวมีความหมายที่ลึกซึ้งในแต่ละอย่างละอย่างด้วยนะปัญญาที่ว่ามีความแตกต่างกันก็คือมีปัญญาในการที่เห็นตามความเป็นจริงในเรือ่องความเป็นเที่ย่างนี่จะลึกซึ้งลงไปข้อ น, นี้พรหมโลกไม่ใช่หมายถึงสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกว่าสวรรค์หกชั้นเท่านั้นแต่พรหมโลกนี่ก็ต้องหมายถึงพรหมิหารด้วย คือเมตตากรุณามุนีตาแล้วกเบคาส่วนปัญญาในที่นี้ือนดีก็จะหมายถึงการพูดจาตั้ว่าว่าคนจะดูได้อย่างไรว่าคนนี้มีปัญญาก็ดูที่ว่าเขาตอบคำถามอย่างไรพูดใจอย่างไรถ้าถามอะไรก็ตอบได้เออวาจาที่กล่าวเป็นสุภาษิตพวกนี้ก็จะม่งบอกถึงปัญญาด้วยนี่เป็นแง่มุมที่ทา่านผู้ฟังได้ศึกษาในประวัติที่ไม่ยาวนี้ มาในอังกุตราณิกายหมวดที่มีหข้อคือชะการนิบาตเป็นบทสนทนาระหว่างพระบุทรเจ้ากับชานุสนิปรามซึ่งประสูตรนี้ข้าพเจ้าก็ได้อธิบายไม่ยาวนะเอะาะฉพาะหัวข้อที่สำคัญสคัญในช่วงของขุดเพชรในพระตรัยปิฎกในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ก็มาเจาะในรายละเอียดเราก็ตั้งข้อสังเกตที่สามารถนำไปศึกษานาไปใช้งานได้เพิ่มเติม ช่วงใตร้ร่มพฏิบดินั้นจะมาพบกับธบุฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีย่ถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระชายเสียง่งประเทศไทยโดยร่วมกับมูลนิธิปัญญาเปานากับข้าพเจ้าพระมหาไปบูกอาพี่ปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ podcast, หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org ราพบกันมน่นวนพรุ่งนี้ จะเล่นปั๊